พระไตรปิฎกเล่มที่ส4สภูมิชสูตรมิชาทิฏฐิมิชาสมาธิปฏิบัติหนักแค่ไหนก็ไม่บรรลุธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชกฤครันเวลาเช้าทันพระภูมิช้าซึ่งเป็นพระเจ้าลุงของชยาเสนราชกุมารเข้าไปยังวังของชยาเสนราชกุมาร ชยเสียนราชกุมารตรัสถามท่านพระผูมิช้าเรื่องที่ว่ามีสมณพราหมพวกหนึ่งผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังหรือทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังหรือตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ แล้วพระพุธรมอาจารย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระาศาสดาของท่านพระภูมิชามีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรท่านพระภูมิชาตอบว่าเรื่องนี้ท่านมิได้สดับ ร, รับมาเฉพาะพระพักพระภูมิพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระภูมิพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่า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 ชยเสน ร, ราชกุมารตรัสว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชามีวาท่าอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิ ช, ชาชรอยจะมีความรู้เหนือสมณพราหม์ทั้งปวงแน่แท้ลำดับนั้นชยเสน ร, ราชกุมารทรงอังคาาคือถวายอาหารแก่ท่านพระภูมิชาด้วยพัตนาในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เองเลยทีเดียว ครั้งนั้นแหลท่านพระผู้มิชากลับจากบินทะบาทภายหลังฉันพัตนหารเสร็จแล้วเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาถึงที่ประทับกราบทูลเล่าถวายเรื่องทั้งหมดนี้ให้ทรงทราบแล้วทูลถามว่าเมื่อตอบปัญหาไปดังนั้นถือว่าถูกต้องหรือไม่พระผู้มีพระภาตรัสว่าเป็นการพูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคาเท็จ เชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตํหนิดได้แต่สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิตฐิมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาสังกับปะมีความดําฤทิผิดเป็นมิจฉาวาจามีการเจรจาผิดเป็นมิจฉากรรมมันตะมีการงานผิด เป็นมิจฉาอาชีวะมีการเลี้ยงชีพผิดเป็นมิจฉาวายามะมีความเพียนผิดเป็นมิจฉาสติมีความระลึกผิดเป็นมิจฉาสมาธิมีความตั้งใจผิดถ้าแม้สมณพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วหรือไม่ตั้งความหวังถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังหรือแม้ตั้งความหวังก็ม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ม่ใช่ แล้วประพติปรมาจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชาเปรียบเหมือนบูรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันเที่ยวสอกหาน้ำมันเกลี่ยทรายลงในรางแล้วเอาน้ำปร่งไปขันไป แม้บุรุษนั้นจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายาก็จึงไม่สามารถได้น้ำมันแม้ฉันใดสมณะพราหมณ์บางพวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉ า, าสมาธิเป็นต้นนั้นแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ เปรียบเหมือนบูรุษผู้ต้องการนมสดสแสวงหานมสดเที่ยวเสาะหานมสดแต่รีดนมสดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนแม่บูรุษนั้นจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามเขาก็ไม่สามารถได้นมสดเพราะอุบายอันไม่แยบขายนั้นแม้ฉันใดสมณพราหมณ์บางพวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิเป็นต้นนั้นแล้วประพฤติปรงมจร พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยคน้นแสวงหาเหนยคน้นเที่ยวสะหาเหนยคน้นเทน้ําลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนแม่บุรุษนั้นจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังเขาก็ไม่สามารถได้เนยคน้นเพราะอุบายอันไม่แยกขายนั้นแม้ฉันใดสมณพรา บ, บางพวกข้ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสมาธิเป็นต้นนั้นแล้วประพฤติปรงมจันทร์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ปเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟสแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้สดที่มียางมาทําไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟแม้บุรุษนั้นจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามเขาก็ไม่สามารถทําให้ไฟเกิดขึ้นได้ เพระอุบายอันไม่แยบคายแม้ฉันใดสมณพราหมณ์บางพวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉ า, าสมาธิเป็นต้นนั้นแล้วประพฤติปรมาจันพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ภูมิชาส่วนสมณพราหมงพวกใดพวกหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสมมันสมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะ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 เพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้เปรียบเหมือนบูรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันเที่ยวสาะหาน้ำมันเกลี่ยแป้ ง, งงาลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปขันไปบูรุษนั้นจะตั้งความหวงังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามเขาก็สามารถได้น้ำมันงาเพราะอุบายอันแยบคายนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสดสแสวงหานมสด เที่ยวสอาาหาหนมสดจึงรีดนมสดจากเต้านมของโคโมแม่ลูกอ่อนจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามเขาก็สามารถได้นมสดนั้นเปรียบเหมือนบูรุษผู้ต้องการเนยข้นสแสวงหาเหนยข้นเที่ยวสอะหาเหนยข้นเทนมส้มลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามเขาก็สามารถได้เนยข้นเพราะอุบายอันแยบขายนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟสแสวงหาไฟเที่ยวเาสาะหาไฟจึงเอาไม้แห้งมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังเขาก็สามารถได้ไฟเพราะอุบายอันแยบขายนั้นข้อนี้แม้ฉันใดสมณรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติตามมักมีองค์แปดคือเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาส ม, มาธิเป็นต้นนั้น ถ้าแม้สมณะพรามเหล่านั้นตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังหรือตั้งความหวังก็ม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ม่ใช่แล้วประพฤติปรมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ภูมิชะ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 จะอธิบายอุปมาสี่ข้อนี้อันน่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจมแจ้งแกช่ชยเสน ร, ราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิดนี้แล้วท่านพระภูมิชาตมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบภูมิชาสูตร